พรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบก้าธันวาคมพุทธศักราช 2,552 เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความเป็นศิริมองคลให้แก่ชีวิต ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงได้ทรงสแสดงเหตุที่จะทำให้เกิดมงคลแก่ชีวิตเช่นประการแรกทรงสอนว่าเซวนาจะบาลานังบ e ันดิตานัจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตะมัง ความหมายว่าให้คบบัณฑิตอย่าคบคนพานให้บูชาต่อสิ่งที่สมควรแก่การบูชาอย่างวันนีญาติโยมมาวัดญาตโยมก็ได้ทําตามข้อที่ได้ทรงบัญญตัติไว้คือการมาวัดก็จะได้มาคบบัณฑิตได้มาคบคนที่มีความรู้ความฉลาด คนที่มีมีศีลมีธรรมเป็นคนดีถ้าไปดื่มเหล้าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้เรียกว่าไปคบคนพาลเพราะคนพาลนี้จะชอบดื่มสุราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบความเกียดคราน การคบคนนี้จึงเป็นเหตุที่จะนำความมงคลลึกอัปมงคลให้กับเราได้ถ้าเราคบกับคนดีเขาก็จะชวนให้เราไปทำในสิ่งที่ดีที่งามถ้าเราคบกับคนไม่ดีเขาก็จะชวนให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราคบคนดี เพราะคนดีจะชวนให้เราทำความดีถ้าเราครบคนไม่ดีเขาก็จะชวนเราไปทำความชั่วทำบาปทำกรรมเมื่อเราครบกับเขาแล้วเขาชวนเราเราไม่ไปเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจกลัวจะเสียเพื่อนกลัวจะเสียมารยาทแต่ความจริงนั้นเราไม่ควรที่จะ เสียเสียดายกับคนไม่ดีควรจะเสียดายกับความดีมากกว่าถ้าเราเป็นคนดีเราทําความดีอยู่เช่นเราไม่เดือดรสราเราไม่เล่นการพนันเราไม่เที่ยวกลางคืนแล้วมีคนมาชวนให้เราไปเดื่มสุราไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันถ้าเราถ้าเราเกรงใจเขา เลื้อกลัวจะเสียเพื่อนเราอาจจะเสียความดีไปเพราะเมื่อเราไปทำแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ดีต่อไปได้เพราะอบายามุขเช่นสุราการเล่นการปนน้ำการเที่ยวกลางคืนนี้ <c oughs> เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะฉุดลากชีวิตของเราให้ลงต่ำเพราะมันไม่มีประโยชน์ มันไม่ได้สร้างทรัพย์สร้างสมบัติให้กับเรามีแต่จะเอาสมบัติของเราให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นเล่นการประนันนี้ท่านว่ามันทารุนยิ่งกว่าโจรขึ้นบ้านซิอีกเพราะโจรขึ้นบ้านนี้เอาไปได้เพียงแต่ทรัพย์สินข้าวของต่างๆแต่เอาบ้านไปไม่ได้ แล้วการเล่นการพนันนี้ก็รุนแรงร้ายแรงกว่าไฟไหม้บ้านเสิถึงแม้ไฟจะไหม้บ้านไหม้เข้าของหมดไปแต่ที่ดินก็ยังมีอยู่ไฟไหม้ที่ดินไปไม่ได้แต่การเล่นการพนันนี้มันร้ายแรงยิ่งกว่าไฟเรา <c oughs> เมื่อเราเล่นแล้วเราเสียเราก็ต้องเอาสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่มาเล่นต่อ เมื่อเล่นหมดแล้วเราก็จะขายบ้านขายบ้านหมดแล้วเราก็จะขายที่ดินขายที่ดินหมดแล้วเราอาจจะต้องถูกเขาฆ่าตายเพราะเราเล่นแล้วเราอยากจะได้คืนเราก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขาพอเราไม่มีปัญญาที่จะให้เขาเขาก็จะต้องมาฆ่าเราเพื่อจะได้เป็นเยี่ยงอย่าง สำหรับคนอื่นเวลายิงเงินไขยืเมเือนจากเขาแล้วถ้าไม่ใช้ก็จะมีโทษถึงตายได้นี่คือตัวอย่างของเล่นการพนันสุรายาเมาก็เช่นเดียวกันนึ่มสุราแล้วก็จะเสียได้กว่ามากได้ได้เพียงนิดเดียวได้ความรู้สึกสนุกสนานคลื่นเครงแต่สิ่งที่เสียไปก็คือเวลาที่มีค่าของชีวิต แทนที่จะเวลาไปทำประโยชน์ก็จะเสียไปกับการดื่มสุราเสียไปกับการมึนเมาเวลาเมามากๆนอนก็อาจจะอาจจะตื่นสายไปทำงานไม่ได้ก็อาจจะต้องต ก, ตกงตก ง, ตกงานไปต่อไปเพราะนายจ้างจะไม่ชอบจ้างคนที่ไม่ไปทำงานหรือไปทำงานสายถ้าดื่มสุรามากมา ก, มาก ก็จะตื่นไม่ไหวจะไปทํางานไม่ไหวนี่ก็เสียเสียงานเสียเวลาเสียทรัพย์เสียเยงินทองที่ต้องไปซื้อสุรามาดื่มแล้วก็เสียสุขภาพร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุสั้นแล้วก็จะเสียสติเวลาดื่มสุราแล้วจะควบคุมการกระทำํำทางกายทางวาจาทางใจไม่ได้ คิดอะไรไม่ดีก็จะปล่อยออกมาทางกายทางวาจาคนดื่มสุรานามักจะมีเรื่องราวกันอยู่เสมอชอบทะเละวิวาทกันชอบทุบตีกันหรือชอบไปทําผิดศีลผิดธรรมกันคนที่จะไปทําผิดศีลผิดธรรมมักจะต้องดื่มสุรนายอมใจไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ดื่มสุรนาแล้วใจมันสัน่นใจมันกก้ากลัว แต่พอดื่มสุราเข้าไปแล้วมันก็จะไม่กลัวแล้วเพราะตอนนั้นมันไม่ควบมันไม่มีอะไรที่จะควบคุมความบ้าบิ่นของใจได้แล้วเมื่อไปทำผิดศีลและหรือทำผิดกฎหมายต่อไปก็จะต้องใช้เวรใช้กรรมทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าในโลกนี้ก็ต้องคอยหลบคอยซ่อนคอยหวาดคอยกลัว แล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกเขาจับไปลงโทษจจับเข้าขังคุกขังตารางหรือถึงกับประหารชีวิตตายไปก็ยังต้องไปใช้กรรมในอาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือผลเสียต่างๆที่จะตามมาจากการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันหรือเที่ยวกลางคืน หรือมีความเกลียดคาราสสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่กับใครก็จะทำให้คนนั้นไม่ดีถ้าเรารู้ว่าคนที่เราคบค้าสมาคมด้วยเขาชอบอาบายามุกแล้วเขาชอบชวนเราไปเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาเขาือเราจะเอาความดีหรือเราจะเอาความ ความไม่ดีเมื่อเราไปกับเขาเราก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วผลก็เป็นอภปมงคลผลที่เป็นอัปมงคลก็จะตามมาแต่ถ้าเรารักษาความดีไว้ดีกว่าไม่เสียดายเพื่อนคนดีเพราะในโลกนี้มีคนอีกต้องมากมายกายกองที่เราจะสามารถเลือกคบค้าสมาคมได้เราก็ไม่ต้องไปกับเขา ถ้าเขาไม่อยากคบก้าสมาคมกับเราก็ถือว่าช่วยไม่ได้เราไม่ได้กดเราไม่ได้เกลียดเขาแต่อย่างใดแต่เราไม่สามารถร่วมทากิจกรรมที่เขาชอบทำได้ mm. นี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราให้คบบัณฑิตไม่ให้คบคนพาลบัณฑิตที่แท้จริงก็คือพระสงฆ์ใน พระพุทธศาสนานี่เองบรรดิตองแรกของพระพุทธศาสนานก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงศึกษาถึงความดีความชั่วถึงความเป็นมงคลและอัปมงคลจนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่จะทําให้ความอัปมงคลเกิดขึ้นมา อะไรเป็นเหตุที่จะทำให้ความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้เราคบบัณฑิตเพราะบัณฑิตเขาจะชวนเขาจะสอนให้เราทำสิ่งที่เป็นมงคลส่วนคนพาลเขาก็จะชวนให้เราไปทาในสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายเช่น คำสอนคำตอมาพระพุทธเจ้าก็สงสอนว่าบูชาจะปูชนียนางให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาคือใครก็ผู้มีพระคุณนั่นเองคือบิดามารดาของเราครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรา การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาทําให้เราเป็นคนที่น่านับถือน่าเคารพน่านเลื่อมใสเพราะแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณนั่นเองการบูชานี้ก็ทรงสอนไว้สองลักษณะด้วยกันบูชาด้วยอามิสบูชาและบูชาด้วยปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยอมิสบูชาก็เช่นบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนอย่างที่เวลาเรามากราบพระแล้วเราก็จุดดอกจุดทูบจุดเทียนเอาดอกไม้มาปักไว้ในเจกกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชาส่วนการบูชาอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงก็คือปฏิบัติบูชา คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัเองทำตัวเราให้เป็นคนดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตถ้าอยากจะคบบัณฑิตก็ต้องมาวัดอยู่เป็นประจำเพราะที่วัดนี้จะมีแต่บัณฑิตมีคนที่เป็นคนดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีความรู้ที่ ที่ดีที่จะทำให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียทั้งหลายนี่คือการบูชาขอให้เรามุ่งไปที่การปฏิบัติบูชาซึ่งมีอยู่สองลักษณะเบื้องต้นก็ให้บูชาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อได้ยินได้ฟังธรทมคำสอนแล้วก็ให้นำเอาไปปฏิบัติสงสอนให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสงสอนให้ละบาปกรรมทั้งปวงสงสอนให้ละชำละใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ละความโลภความโกรธความหลงนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อย่าเพียงแต่กราบพระเฉยๆเพราะยังไม่เป็นมงคลที่แท้จริงนั่นเองการกราบพระนี้ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนพุติกรรมของเราถ้าเรากล่าวพระตอนเช้าแล้วเราก็ออกไปทำผิดศีลผิดธรรมไปดื่มสุราไปเล่นการพนันมีมีความเกลียดคร้านอย่างนี้ ต่อให้เรากลาวพระวันละร้อยครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการกลาบพระนี้เป็นการให้เรามีโอกาสได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสอนของพระอริยสงสาวกเมื่อเราได้รำลึกถึงพระคุณเราก็จะรู้ว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐได้อย่างไรเช่นพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐได้อย่างไร ท่านรเริฐเพราะท่านเป็นผู้สิ้นกิเลสอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าอารหันต์แปลว่าผู้สิ้นกิเลสสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่ทำให้ตนเองสิ้นกิเลสได้โดยที่ไม่ต้องมีครูไม่มีอาจารย์เป็นผู้ศึกษาเองค้นค้าค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลง หมดสิ้นไปจากขีดจากใจเมื่อเราก่าวพระเราก็จะลำลึกถึงคุณสมบัติอันวิเศษนี้เมื่อเราเราได้ลำลึกเราก็จะรู้ว่าเป้าหมายของเรานั้นอยู่ตรงไหนเป้าหมายของเราก็อยู่ที่การชำระกิเลสนี้เองตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงไม่ใช่เพิ่มความโลภเพิ่มความโกรธเพิ่มความหลงอย่างที่พวกเรากำลังหลงทำกันอยู่ เราได้คืบก็อยากจะได้วาได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาได้วาก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าเป็นข้าราชการถ้าเป็นนายสิทธ์ก็อยากจะเป็นจ่าเป็นจ่าก็อยากจะเป็นนายร้อยอยากเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นานายพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอ ความทุกข์ก็ไม่มีหมดไปจากจิตจากใจความเป็นเทิงมงคลก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการได้ตำแหน่งเหล่านี้ดีไม่ดีอาจจะเป็นอัปมงคลด้วยซ้ําไปถ้าได้มาด้วยความที่ไม่ชอบผิดศีลผิดธรรมได้มาด้วยการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็จะทําให้เป็นอัปมงคลเพราะความมงคลหรือไม่มงคลนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตําแหน่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสรรเสริญของผู้ของผู้อื่นไม่ได้ขึ้นกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากขึ้นนะแต่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้ารักษาศีลได้มากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าความมงคลจะมีมากขึ้นถ้าตัดอบายามุขต่างๆให้น้อยลงไปได้ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นมงคลถ้าทําความดีได้มากขึ้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นมงคลเช่นถ้ามีตำแหน่งอยู่ตำแหน่งเดียวแต่มีคนสองคนแย่งกันเรากับอีกคนหนึ่งถ้าเราเสียสละเราบอกว่าเราไม่แย่งเราสละให้กับคนที่อยากได้ไปเราพอใจที่จะอยู่ตำแหน่งเดิมอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นมงคล การแย่งกันนี้เป็นเรื่องของความโลภของความอยากเป็นเรื่องของกิเลสกิเลส น, นี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะสร้างความมงคลให้แก่ชีวิตของเราแต่กิเลส น, นี้จะเป็นตัวสร้างความเป็นอปปมมคลให้แก่ชีวิตของเราดังนั้นเราต้องระมัดระวังเวลาเราอยากจะได้อะไรเราต้องเตือนสติเราเนอะว่ามันเป็นกิเลสหรือเปล่าถ้ามันเป็นความจาเป็นถึงจะเรียกว่าไม่เป็นกิเลส เช่นการหายใจนี้ถ้าเราไม่หายใจอย่างนงี้ถึงจะเรียกว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หายใจเราจะต้องตายอย่างนี้เรียกว่าเป็นความจำเป็นดังนั้นการอยากหายใจนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสแลอการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รับประทานอาหารพอเพียงเราก็ตายได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็น แต่ถ้าอยากรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างพระหรือคนที่ถือศีลแปนี้เขารับประทานมื้อเดียวหรือรับประทานไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วถ้ารับประทานหลังจากนั้นไปแล้วถือว่าเป็นกิเลสถือว่าเป็นความโลภเพราะว่าการรับประทานจริงๆนี้รับประทานเพียงครั้งเดียวก็อยู่ได้ตลอด24ชั่วโมง ไม่ตายรับรองได้เพราะปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ท่านจะฉันมือเดียวฉันหุนเดียวฉัน ต, ตอนนี้แล้วหลังจากนี้แล้วก็ไม่ฉันอีกจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะท่านก็อยู่ได้เพราะร่างกายมันพอแต่ที่มันไม่พอมันไม่ใช่ร่างกายมันคือกิเลสคือความอยากบางคนนี่กินเสร็จไปใหม่ๆยังยังแน่นท้องอยู่เลย เห็นขนมเห็นอะไรขึ้นมาก็อยากจะรับประทานขึ้นมานี่ไม่ได้เป็นการรับประทานเพื่อร่างกายรับประทานเพื่อความโลภตามความโลภอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เราต้องตัดเราต้องแยกแยะว่าความอยากที่เป็นความจําเป็นกับความอยากที่เป็นความโลภนั้นนันต่างกันความอยากที่เป็นความจําเป็นนี้จะไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอัปมงคล แต่ความอยากที่เป็นความโลภนี้เป็นอันตรายเป็นมงคเป็นอัปมงคลดังนั้นทุกครั้งที่เราต้องการอะไรอยากได้อะไรเราต้องถามตัวเราเองว่าถ้าไม่ไม่ได้มาแล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็ถือว่าไม่จำเป็นเช่นเมื่อกี้พูดว่าต้องหายใจหรือไม่จาเป็นถ้าไม่หายใจก็ต้องตายอย่างนี้จำเป็น แต่จะต้องกินวันละสีห้าครั้งหรือไม่อย่างนี้ไม่จำเป็นกินวันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วแล้วก็ระหว่างมื้อก็ไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องเด่มอะไรกินแต่เดิมแต่น้ำอย่างเดียวก็พอถ้าอยากจะดื่มอะไรอยากจะกินอะไรก็ให้กินทีเดียวพร้อมกันหมดเลยเช่นเวลาเรานั่งนั่งกินข้าวเราอยากจะกินขนมอยากจะดื่มน้ำหวานอะไรก็เอามันทีเดียวไปเลยเติมมันทีเดียว้มันเสร็จ เพราะถ้าเรามากินทีหลังนี่สแสดงว่ามันกินด้วยความโลภมันไม่ได้กินด้วยความจำเป็นนี่คือการแยกแยะระหว่างกิเลส ก, กับสิ่งความจำเป็นนี้เป็นอย่างไรไม่ฉะนั้นแล้วเราจะคิดว่าทำอะไรไม่ได้เลยอยากอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่อยากได้ อยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ซื้อได้แต่ต้องดูก่อนว่าเสื้อผ้าเก่าที่มีอยู่นี้พอใช้หรือไม่ถ้ายังพอใช้อยู่ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่อย่างนี้ก็อยากไปซื้อเพราะถ้าซื้อก็ซื้อด้วยความโลภด้วยความอยากเช่นเดียวกับรองเท้าเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราที่เราอยากจะได้อยากจะซื้อมาขอให้เราถามตัวเองจริงๆว่ามันจําเป็นหรือไม่ ถ้าไม่มีมันละมันจะทําให้เราเดือดร้อนหรือไม่ถ้ามันไม่เดือดร้อนสู้เก็บเงินเอาเอาเงินเก็บมาไว้จะดีกว่าเพราะมีเงินเก็บไว้นี้มีคุณประโยชน์กับเราหลายด้านด้วยกันเวลาที่เราเจ็บคไายได้ป่วยเราก็จะได้มีเงินไว้มารักษาเราและเวลาที่เราพิกลพิการไม่สามารถทํางานได้ เราก็จะได้มีเงินทองที่เราเก็บไว้มาดูแลเราแล้วเราก็จะมีความสบายอกสบายใจไม่ต้องคอยมาวิตกกับการว่าจะขาดเงินขาดทองเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะมีเงินเก็บไว้มากไว้ดูแลเราในยามคับขันในยามที่เศรษฐกิจตกต่าแต่ถ้าเรา อยากจะได้อะไรก็ซื้อมาซื้อมาเงินทองที่เราหามาได้มากน้อยก็จะหมดไปแล้วพอถึงเวลาที่จะซื้อของจำเป็นไม่มีเงินทองพออย่างนี้ก็จะเดือดร้อนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขากู้หนี้ก็ต้องเสียดอกแพงๆ แ, แล้วก็จะไม่มีปัญญาใช้เขาแลเดี๋ยวเขาก็ต้องมายึดข้าวของเราไปยึดบ้านยึดที่ดินยึดอะไรไป เราก็จะกลายเป็นคนขอทานไปเพราะความโลภนี่แหละเป็นเหตุที่จะจุดล่างให้เราไปนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความโลภมากแล้วรับรองได้ว่าเราจะเก็บเงินเก็บทองไว้ได้มากและเราจะอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างมั่นใจว่าจะไม่เดือดร้อนในภายภาคหน้านี่คือการคบบัณฑิต เราจะได้ประโยชน์อย่างนี้เราจะได้ได้รับคำสอนและเราจะได้ตัวอย่างที่ดี<ม>พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราไม่สามารถหาหรือคบคนที่ดีกว่าเราหรือดีเท่าเราได้ก็อย่าไปคบกับใครดีกว่าอยู่คนเดียวจะดีกว่าไม่ขาดทุนถึงแม้ไม่กำไรก็จะไม่ขาดทุน แต่ถ้าไปคบกับคนไม่ดีแล้วเราจะขาดทุนเดี๋ยวก็จะชวนเราไปดื่มสุราไปเล่นการพนันแล้วเดี๋ยวเงินทองของเราก็จะหมดหมดแล้วเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเลือขายทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆแล้จนในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนยากคนจนไปนี่คือเรื่องของการ สร้างความเป็นสิ่งในมงคลให้แก่ชีวิตของเราอยู่ตรงที่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะเราไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นมงคลและอะไรเป็นไม่เป็นมงคลเรามักจะเห็นกับตาลปัดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเรามักจะคิดว่าได้เงินได้ทองมามากๆแล้วเราจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ได้ตำแหน่งสูงๆแล้วจะเป็นมงคลแก่ชีวิตแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันกลับทำให้จิตใจของเราตะเกียกตะกายอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เราต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมแทนที่จะเป็นมงคลก็กลับกลายเป็นอปมงคลไปแต่ถ้าเราได้เงินทองมาโดยที่เราไม่ได้อยากได้ เราเพียงแต่ทามาหากิจของเราไปด้วยความกระยันหมั่นเพียรแล้วได้กำไรได้เงินเดือนดีอย่างนี้ไม่เสียหายอะไรร่ำรวยด้วยความการกระทำของของเราเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความขยันด้วยสติปัญญาของเราอย่างนี้รวยแบบนี้เป็นมงคลแต่ถ้ารวยแบบไปโกงเขามาไปโกหกหลอกลวงเขาอย่างนี้ รวยแบบนี้เรียกว่ารวยแบบอับปมงคลเช่นเดียวกับการได้ตำแหน่งสูงๆก็เช่นเดียวกันถ้าได้มาเพราะไปกันแกล้งเขาไปเบียดเบียนเขาอย่างนี้เป็นอัปมงคลแต่ถ้าได้มาด้วยความกยันมั่นเพียรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความสติปัญญาของเราอย่างนี้ไม่เป็นอัปมงคลแต่เป็นมงคล ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้อะไรมาอยู่ที่ว่าเราได้มาด้วยวิธีใดถ้าเราได้มาด้วยวิธีมารใช้วิชิตวิชามารอย่างนี้ทำบาปทำกรรมอย่างนี้เรียกว่าออกระมงคลแต่ถ้าได้มาด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญาของเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นมงคล ดังนั้นขอให้เราจงพยายามแยกแยะให้ถูกให้ออกว่าอะไรเป็นมงคลและอะไรไม่เป็นมงคลการกระทำของเราต่างหากที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลแต่สิ่งที่เราได้มานี้มันไม่มีความหมายในตัวของมันเองมีเงินทองกองเท่าภูเขามันก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นมงคลขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต มันไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งมันอยู่ที่การกระทาของเราว่าเรากระทำด้วยความซื่อสัตย์จริตหรือทุจริตถ้าทำการทุจริตต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่เป็นมงคลต่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เป็นมงคลเพราะพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นคนใหญ่คนโต ถ้าไม่เลือกว่าคนใหญ่คนโตนี้เป็นมงคลแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่จะใหญ่จะโตขนาดไหนก็ยังทำผิดไม่ได้ยังทำทุจริตไม่ได้ถ้าทำทุจริตแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นมงคลจะเป็นมงคลต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่งามที่สุดจริญนี่คือการมาสร้างความเป็นสิล ม, มงคลให้แก่ชีวิตของเรา อยู่ที่กายกระทำทางกายวาจาและทางใจของเรา mm hmm. เช่นวันนี้เราคิดดีเราคิดมาวัดคิดมาหาบัณฑิตคิดมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาทำตามคำสอนมาทำความดี mm hmm. เอากับข้าวกับปลาอาหารข้าหวานต่างๆมาถวายพระแล้วก็บางท่านก็อยู่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ นี่แหละคือการกระทำที่จะทำให้เกิดความเป็นสิ่งในมงคลขึ้นมาแก่ชีวิตของเราจึงของฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญมาสร้างความเป็นสิ่งในมงคลแก่ชีวิตนี้ให้ท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตะนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแค้วกล้าดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ